วันนี้มีท่านที่มาใหม่หลายท่านด้วยกันก็อยากจะขอบอกวิธีการนั่งฟังเทศสังธรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งกับตนเองและกับผู้อื่นก็คือต้องนั่งด้วยความสงบกายสงบวาจา ้ะสงบใจคือนั่งเฉยๆนั่งกายไม่ควรที่จะกระทำอะไรต่างๆแม้จะโจทย์ข้อความต่างๆก็ไม่ต้องทำเพราะว่าการฟังนี้ฟังให้เกิดความเข้าใจเป็นหลักถ้าเข้าใจแล้วจะจำได้ไม่ต้องโจทย์ให้เสียเวลา ถ้าจดแล้วเวลากลับไปอ่านทีหลังอ่านไม่เข้าใจก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรฉะนั้นการฟังธรรมทางปฏิบัติท่านไม่นิยมที่จะจดข้อความต่างๆในขณะที่ฟังท่านต้องการที่จะจดจ่อใจให้รับฟังเสียงและพิจารณาตามเหตุตามผล ของเสียงธรรมที่เข้ามาสัมผัสกับใจถ้าเข้าใจแล้วก็จะจำได้ไปจนวันตายจะไม่มีวันหลงไม่มีวันลืมแล้วก็บาจาก็ต้องตั้งอยู่ในความสงบไม่พูดไม่คุยกันเพราะจะเป็นการรบกรวนกระแสของธรรมที่จะเข้าไปสู่ ใจของผู้อื่นผู้อื่นก็จะถูกรบกวนจากเสียงพูดคุยกันก็จะทำให้การฟังนั้นไม่ต่อเนื่องมีเสียงแทรกเหมือนกับเวลาที่เราเปิดวิทยุแล้วมีสัญญาณแทรกเข้ามาทำให้เราไม่สามารถฟังสถานีที่เรารับฟังอยู่ได้อย่างชัดเจน ก็จะทำให้เกิดความลำคาญใจขึ้นมาได้แทนที่จะฟังทำแล้วเกิดความสงบกลับทำให้ใจเกิดความหงุดหยิดลำคาญใจสงบกายสงบวาจานี้เราก็เรียกว่าศีลถ้าได้ถ้าเรานั่งเฉยๆไม่พูดอะไรนี้นับเป็ีศีลแล้ว สองร้อยยี่สบเจ็ดก็สามร้อยสิบสามข้ อ, ขอจะมีสีงกี่ข้อถ้าเรานั่งเฉยๆไม่พูดอะไรนี่เรารักษาได้หมดเพราะสียนี้ก็มีไว้เพื่อให้สงบกายสงบวาจานี่เองแล้วใจก็ต้องสงบสงบจากความคิดปรุงแต่งต่างๆถ้าคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็จะไม่ รู้ว่ากำลังฟังอะไรเสียงธรรมเข้ามาสู่ใจก็หายไปเพราะว่าไม่ได้รับการต้อนรับจากผู้ฟังผู้ฟังกำลังคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ถึงคนนั้นคนนี้อยู่ก็จะไม่รับรู้เสียงธรรมที่เข้ามาสู่ใจฟังไปก็เหมือนฟังแบบทัพพีในหม้อแกง ท้าพีที่อยู่กับรถแกงอยู่ในหม้อแกงจะอยู่นานกี่ปีกี่ชั่วโมงก็จะไม่รู้รสชาติของแกงว่าเป็นแกงชนิดใดต้องฟังแบบลิ้นกับแกงลิ้นนี่พอสัมผัสกับแกงเพียงหยดเดียวก็จะรู้ทันทีว่าเป็นแกงชนิดไหนนี่คือ วิธีการฟังธรรมเพื่อให้เกิดคุณประโยชน์ไม่เกิดโทษกับตนเองและกับผู้อื่นไม่เสียเวลาจะได้รับอนิสงฆ์ห้าประการด้วยกันคือหนึ่งจะได้ยินได้ฟังธรรมที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนสองธรรมที่ได้ยินได้ฟังแล้วเมื่อซ้ำฟังปล่อยเข้าฟังซ้ำอีก ก็จะเกิดความเข้าใจที่ดีขึ้นทำให้เกิดมีสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องที่เรียกว่าปัญญาเ调<嗯>การจัดความดังเลสงสัยต่างๆให้หมดไปจากใจได้และ5ทำให้จิตใจสงบผ่องใสมีความสุข นี่คือการฟังธรรมแบบลิ้นกับแกงฟังด้วยกายวาจาใจที่สงบคือฟังด้วยศีลฟังด้วยสมาธิถ้าผู้ใดฟังแบบนี้แล้วทำที่แสดงนี้เป็นธรรมแท้โอกาสที่จะได้บรรลุธรรมมีดวงตาเห็นกรรมนี้ย่อมเป็นไปได้เสมอ เพราะว่าในสมัยพระพุทธกาลนั้นเป็นมาแล้วนั่นเองพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้ธรรมอย่าง่องแท้เป็นผู้แสดงแสดงธรรมแท้เป็นธรรมล้วนๆผู้ฟังก็เป็นผู้ที่เป็นนักบวชมีศีลอยู่แล้วมีสมาธิอยู่แล้วพฟังธรรมปั๊บก็บรรลุธรรมได้เลย เนในการแสดงธรรมขั้นแรกที่ทรงแสดงให้กับพระปัญจวัคคีพระปัญจวัควคีก็เป็นฤาษีเป็นนักบวชที่เคยติดตามศึกษากับพระพุทธเจ้าปฏิบัติกับพระพุทธเจ้าแต่ตอนหลังตอนที่พระพุทธเจ้าทรงเลิอกอดพระกยายหารก็เกิดความเสื่อมศรัทธาจึงได้แยกทางจาก พระพุทธเจ้าไปแต่พอพระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสัรูปธรรมแล้วก็ทรงเห็นว่าผู้ที่จะรับธรรมได้อย่างรวดเร็วก็คือพระปัญจวัคคีย์นี้เองเพราะท่านมีศีลมีสมาธิอยู่แล้วสิ่งที่ท่านขาดก็คือปัญญาปัญญาที่พระพุทธเจ้าเพิ่งทรงค้นพบนั่นเอง ปัญญาที่พุทธเจ้าส่งคนพบก็เรียกว่าอาริยสัจสีทุกสมุทัยนิโรธมรรคทุกนิพหมายถึงความทุกข์ทางใจนิโรสมุทยัยต้นเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์ทางใจก็คือความอยากต่างๆมีอยู่สามประการกามตัณหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรส ภาวะตันหาความอยากมีอยากเป็นวิภาวะตันหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็นนี่คือต้นเหตุที่เรียกว่าสมุ ท, ทยัยต้นเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์ใจความไม่สบายใจและนิโรธคือการดับของความทุกข์ใจ ดับได้ความทุกข์ใจนี้เกิดขึ้นแล้วดับได้วิธีที่จะดับความทุกข์ใจก็ต้องสร้างมัคมัค ก, ก็คือทางหรือวิธีการปฏิบัติที่จะทําให้ความทุกข์ใจนั้นดับไปด้วยการไปละตันหาความอยากทําลายตันหาความอยากที่เป็นต้นเหตุของการ ของความไม่สบายใจของความทุกข์ใจมาร์คนี้ก็คือทานศีลภาวนาสำหรับผู้คองเรือนถ้าผู้ที่เป็นนักบวชก็คือศีลสมาธิปัญญาเหมือนกันต่างกันตรงที่มีทานหรือไม่มีทานถ้าสอนคารวะท่านก็สอน ให้ทำทานรักษาศีลภาวนาภาวนาก็คือการเจริญสมาธิและปัญญาเนี่ยคารวะาเลยมีสี่ระดับคือทานศีลสมาธิปัญญาส่วนนักบวชนี่เหลือสามระดับเพราะว่าทานได้ทำไปแล้วทานก็คือการสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทอง ไม่ยุ่งเกี่ยวไม่เกี่ยวข้อง ก, กับการหาเงินหาทองกับการใช้เงินทองซื้อความสุขต่างๆใช้เงินทองทําตามความอยากต่างๆเพราะเป็นการสร้างความทุกข์ใจไม่ได้เป็นการดับความทุกข์ใจผู้ที่ต้องการดับความทุกข์ใจจึงจาเป็นที่จะต้องยุติการใช้เงินซื้อสิ่งต่างๆ ซื้อความสุขต่างๆตามความอยากเช่นอยากดูอยากฟังก็เอาเงินไปซื้อรูปเสียงกลิ่นรดมาดูมาฟังความสุขที่ได้เป็นความสุขรลอมเป็นความสุขเดียวๆแล้วก็จะมีความทุกข์ตามมาเพราะจะมีความอยากใหม่เกิดขึ้นตามมาแล้วเวลาที่ไม่สามารถที่ทำตามความอยากได้ ไม่มีเงินซื้อสิ่งที่อยากได้ก็จะเกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาดันั้นถ้ายัางใช้เงินทองซื้อความสุขต่างๆทำตามความอยากต่างๆอยู่ก็ต้องยุติหยุดใช้เอาเงินทองนี้มาทำลายความอยากดีกว่าวิธีทำลายความอยากด้วยเงินทองก็คือเวลาอยากซื้ออะไร ก็เอาเงินที่จะซื้อนั้นไปทำบุญทำทานแทนถ้าสิ่งที่ซื้อต้องการจะซื้ อ, อยากจะซื้อไม่เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องซื้อถ้าเป็นสิ่งที่จำเป็นนี้ไม่ถือว่าซื้อตามความอยากเช่ น, นเมื่อถึงเวลาต้องรับประทานอาหารก็ต้องซื้ออาหารมารับประทานถ้าเสื้อผ้าไม่พอใช้ซื้อมาใส่ได้ แต่ถ้ามีเสื้อผ้าหรือเสื้อแล้วเห็นชุดใหม่ๆออกมาอยากจะซื้ออย่างนี้เรียกว่าซื้อตามความอยากไม่ได้ซื้อตามความจาเป็นถ้าอยากจะซื้อแบบนี้ซื้อได้แต่ซื้อแล้วต้องเอาไปให้คนอื่นเอาไปทำบุญให้คนอื่นเห็นเสื้อผ้าชุดนี้สวยซื้อมาเห็นขอทานนั่งอยู่ข้างหน้าร้านก็เอามาให้ขอทานเลย บอนี่อาใส่ชุดนี้ขอทานจะได้เงินเยอะขึ้นคนเห็นเราใส่ชุดนี้สวยๆแสดงว่าเรามีรสนิยมนี่คือเรื่องของทานที่พระพุทธเจ้าจะสอนกับคารวาสก่อนก่อนที่จะสอนศีลสมาธิปัญญาแต่พอสอนพระหรือนักบวชนี้ท่านจะเลิกท่าไม่พูดถึงทานเพราะว่า นักบวชนี้ไม่มีเงินทองที่จะไปซื้ออะไรได้แล้วไม่มีเงินที่จะไปทําบุญทําทานได้แล้วดังนั้นผู้ที่เป็นนักบวชหรือทําตัวเป็นเหมือนนักบวชจึงไม่ควรไปเสียเวลากับการทําบุญทําทานเพราะว่ามันเป็นการเดินถอยหลังผู้ที่เป็นนักบวชเช่นมาผู้ที่มาถือศีลแปดเนี่ ไม่ต้องไปกังวลเรื่องทำทานนะไปปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิรักษาสีแปดให้บ่อยสุดฟังเทศฟังธรรมเจริญปัญญาอันนี้พูดถึงผู้ที่ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องสำหรับผู้ที่มาอยู่วัดสามวันอย่างนี้ยังทาบุญทาทานได้อยู่เพราะว่ายัางไม่ได้เข้าไปสู่ ความเป็นนักบวชเต็มรูปแบบเงินยังมีอยู่เต็มกระเป๋าอยู่ยังต้องชำระกำจัดเงินทองที่มีอยู่ในกระเป๋าก่อนจะกลับไปถึงกรอบบ้านก็เทให้หมดเลยทำบุญให้หมดแม้นเดี๋ยวออกจากวัดปับจะแวะตามร้านขนมน ม, นมเนยต่างๆอุตส่าห์มาบวชแทบเป็นแทบตายพอออกไปถึงออกนอกวัดไปปับไปเลยไปตามความอยากทางตาหูจมูกลิ้นกายเลย ไปซื้อขนมนมเนยไปดูหนังฟังเพลงไปตามช้อปปิ้งตามสถานช้อปปิ้งสถานบันเทิงต่างๆเนี่ยท่านถึงบอกให้ทำทานก่อนจะออกจากวัดอย่าลืมเทงเงินที่มีไว้ให้หมดเลยมีไว้สำหรับจ่ายค่าน้ำมันรถก็พอก็จะได้เดินทางกลับถึงบ้านได้อย่างปลอดภัยปราศจากความความอยากต่างๆ ถ้ามียังมีเงินติดอยู่ในกระเป๋าอยู่เดียวรับรองได้ต้องแวะแน่นอนไม่แมคโด น, นัลล์ก็ต้องอะไรนะที่ไหนที่มันใกล้าตาใกล้หูแซนวินบ้างบิ๊กซีบ้างโลตัสบ้างความอยากมันจะพามันจะลากไปถ้ามีเงินในกระเป๋าถ้าไม่มีเงินในกระเป๋าก็ไม่ไปไปไม่ได้ไปก็ไม่ซื้ออะไรไม่ได้ ก็จะได้กลับบ้านไปได้อย่างปลอดภัยปลอดจากตันหาความอยากภัยที่แท้จริงคือตันหาความอยากราะตันหาความอยากนี้เป็นตัวที่สร้างความทุกข์ใจให้กับเราภัยทางธรรมชาติภัยต่างอื่นนี้มันไม่ทำให้ใจเราทุกข์มันทำให้ร่างกายทุกข์แต่มันไม่สามารถทำให้ใจเราทุกข์ได้ตัวที่ทำให้ใจเราทุกข์คือตันหาความอยาก พระบิดาเจ้าจึงนั่งสอนคนที่มีสตางคนที่ยังใช้เงินซื้อของตามความอยากต่างๆให้เอาเงินนี้ไปทําบุญแทนถ้าอยากจะซื้ออะไรที่ไม่จําเป็นอยากจะซื้อเพราะกามาตหาก็ดีภาวะตันหาก็ดีวิภาวะตันหาก็ดีก็อย่าไปซื้อไปนั้นขาดเพราะมันจะ พาให้เราไปสู่ความทุกข์อย่างไม่มีวันสิ้นสุดพอซื้อแล้วก็เดี๋ยวก็อยากใหม่ซื้อขนมนมน้อยเสร็จเดี๋ยวก็อยากอีกไม่กี่ชั่วโมงก็อยากอีกแล้วถ้ากินตามความอยากกินเท่าไหร่ก็ไม่พอวิธีกินนี้ต้องกินเพื่อร่างกายอย่าไปกินเพื่อความอยากวิธีกินเพื่อร่างกายก็ต้องมีเวลามีมเวลามีปริมาณ เหมือนยาที่หมอให้มารับประทานหมอจะบอกต้องกินข้า้งละกี่เม็ดแล้ววันละกี่ครั้งเออันนี้กินแบบนี้เรียกว่ากินเพื่อร่างกายเพื่อรักษาเพื่อเยียวยาร่างกายให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บอาหารนี้ก็เป็นยาเหมือนกันเช่นกินวันลมือ้อเมื้อละสองจานก็พอกินแล้วพอให้มันอิ่มท้องเอก็พอแล้ว พระพุทธเจ้าสอนนักปฏิบัติให้กินน้อยๆเพราะว่าจะทำให้ไม่ขี้เกียจไม่เสียเวลากับการหลับนอนไม่เสียเวลากับการรับประทานอยู่เรื่อยๆรับประทานวันละครั้งเดียวก็พอหมดแล้วก็ไม่ต้องมากังวลกับมื้อกลางวันมื้อเย็นกินมื้อเช้ามื้อเดียวอย่างพระวัดนี้ท่านฉันมื้อเดียวตอนเช้าไปบิณฑบาต หกโมงบินมาบายกลับมาถึงวัดเจ็ดโมงกว่าๆ ก, ก็ญาติโยงก็มาใส่บาตถวายอาหารต่อเสร็จแล้วก็ฉันกันฉันเสร็จแล้วก็หมดละเรื่องอาหารหมดปัญหาไปละกลับไปกุฏิก็อาจจะพักสักเดียวเพราะว่าเวลาชันใหม่ๆมันอิ่มมันก็มีความง่วงบ้างมีความ เ, าเกียดเกียดค้านบ้างแต่ไม่นาน พออาหารย่อยหมดแล้วทีนี้ก็หายง่วงแล้วก็สามารถที่จะเดินจงกรมนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมได้อไม่เสียเวลามากหลังจากชันเสร็จสองโมงเช้าสี่โมงก็สี่โมงห้าโมงนี่ก็สามารถที่จะปฏิบัติธรรมได้แล้วสี่โมงห้าโมงเช้านะไม่ใช่สี่ห้าโมงเย็นแต่ถ้ารับประทาน สองมื้อก็ต้องรอถึงเที่ยงก่อนเพราะยังต้องรับประทานมื้อที่สองเมื่อรับประทานมื้อที่สองเสร็จก็ต้องพักอีกหลังจากรับประทานแล้วกว่าจะหายง่วงหายเกียจค้านก็สองสามโมงบ่ายสองสามโมงถึงจะออกมาเดินจงกรมนั่งสมาธิได้นะแล้วยิ่งถ้าไปรับประทานอาหารเย็นเข้าไปอีก ก็ยิงเสียเวลานานเข้าไปอีกก็ต้องรอกินตอนอาหารเย็นอีกช่วงรอก็ไม่มีกระจิตกระายที่จะมาพุทโธพุทโธจิตมันก็จะคิดว่าจะกินอะไรดีเนาะขนมอะไรดีอาหารชนิดไหนดีปรุงแต่งไปก่อนแนละ้วพอกว่าจะได้กินก็หกโมงห้าหกโมงกินเสร็จก็ทุม่ม ว่าพอดีมีทีวีให้ดูแล้วก็เปิดทีวีดูอ้างว่าดูขงดูข่าวดูไปดูมาเอากลายเป็นละครไปทัแล้วกว่าจะเลิกก็สามสี่ทุ่มแล้วทีนี้จะเอาเวลาไปนั่งสมาธิตรงไหนสามสี่ 3, ทุ่มก็ง่วงนอนแล้วอยากจะนอนอเวลาที่จะมาปฏิบัติทำจยงไม่มีสำหรับผู้ที่ ไม่สามารถรักษาสีแปดได้เช่นรักษาสีหานี้ไม่พอเพียงต่อการปฏิบัติสีหานี้รักษาไว้เพื่อให้เราไม่ต้องไปเกิดในอบายป้องกันการไม่ให้ไปเกิดในอบายให้เราได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ต้องไปรับใช้กรรมในอบายหรือให้เราได้ไปสวรรค์ถ้าเราทำทานแต่เป็นสวรรค์ที่จะต้องเสื่อม พอบุญหมดสวรรค์หมดก็ต้องลงกลับมาเกิดใหม่แต่ถ้าเรารักษาสิ้นแดนี่เราจะไปแบบไม่กลับมารักษาศินแปดแล้วก็จะทำให้เรามีเวลาปฏิบัติสมาธิปัญญาได้อย่างเต็มที่อพอแล้วถ้าเราปฏิบัติสมาธิปัญญาได้เราก็จะยุติทำลายปัญหาความอยากต่างๆได้ ปัญหานี้จะถูกทำลายก็ต้องถูกทำลายด้วยอำนาจของสมาธิและปัญญาสมาธิตัวเดียวก็ทำลายไม่ได้ปัญญาตัวเดียวถ้าไม่มีสมาธิก็ไม่ใช่เป็นปัญญาที่จะมาทำลายปัญหาความอยากเป็นปัญญาประดับความรู้เฉยๆเช่นปัญญาที่เราได้ขณะที่เราฟังธรรมนี้ก็เรียกว่าเป็นปัญญาประดับความรู้ เรารู้ว่าตัณหาเป็นต้นเหตุของความอยากเป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจแต่เวลาเกิดความทุกข์ใจเราไม่สามารถที่จะดับความทุกข์ใจได้เพราะเราไม่สามารถละตัณหาความอยากได้เช่นเวลาอยากจะดื่มกาแฟอย่างนี้ถ้าเราไม่ได้ดื่มเราก็มีความหงุดหงิดใจลำคาญใจ เราสู้ความอยากไม่ไหวเราก็เลยต้องไปดื่มก็ดื่มแล้วก็ทำให้ความอยากหายไปชั่วคราวความทุกข์ที่เกิดจากความอยากก็หายไปแต่ไม่หายไปถาวรเดี๋ยวไม่นานความอยากจะดื่มแก้วใหม่ก็กลับมาดื่มแก้วที่หนึ่งแล้วเดี๋ยวก็อยากจะดื่มแก้วที่สองดื่มแก้วที่สองแล้วก็มีแก้วที่สามตามมาจนปัจจุบันนี้ไม่รู้เป็นแก้วที่เท่าไหร่แล้ว ถ้านับจำนวนตั้งแต่เริ่มดื่มมาเริ่มดื่มกาแฟถ้วยแรกมาจนถึงตอนปัจจุบันนี้ดื่มถึงถ้งวยที่เท่าไหร่แล้วก็จะไม่มีวันหยุดดื่มได้ถ้าวิธีจะยอนหยุดดื่มก็ต้องเห็นโทษของความอยากว่าถ้าดื่มแล้วก็ต้องทุกเพราะต้องดิ้นหลนต้องหากาแฟมาดื่มอยู่เรื่อยๆ เ, เวลาไม่ได้ดื่มก็จะทุกข์ใจหงุดหงิดใจ งั้นอย่าไปทำตามความอยากดีกว่ากลับไปนั่งสมาธิดีกว่าไปทำใจให้สงบทำใจให้สงบก็จะฝืนความอยากได้เพราะความสงบมีความสุขมีความอิ่มมีความพอจะทำให้ไม่หิวไม่อยากกาแฟถ้าทำอย่างนี้ทุกครั้งที่เกิดความอยากต่อไปความอยากก็จะไม่ไม่โผล่ขึ้นมา พอไม่ได้ร <u> ับการตอบสนองเวลาอยากแล้วไม่ได้ทำตามความอยากต่อไปความอยากนั้นก็หายไปคนที่เลิกบุหรี่ได้เลิกสุราได้เลิกกาแฟได้ก็เพราะว่าไม่ทำตามความอยากนั่นเองเวลาอยากดื่มกาแฟก็ไม่ดื่มเวลาอยากสูบบุหรี่ก็ไม่สูบเวลาอยากดื่มสุราก็ไม่ดื่มพอไม่ดื่มบ่อยๆไม่ทำตามความอยากบ่อยๆ ความอยากมันก็จะหายไปแต่ถ้าทำตามความอยากความอยากมันก็จะโผล่ขึ้นมาเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดนี่คือวิธีการชาระความทุกข์ชำระความอยากด้วยปัญญาและสมาธิถ้าไม่มีสมาธิเวลาเกิดความอยากทั้งๆ ท, ท, ที่รู้ว่าทำตามความอยากไม่ดีก็ไม่มีที่ไปหลก ไม่มีที่ไปตั้งรับความอยากไปสู้กับความอยากคือสมาธิความสงบนะแต่ผู้ที่มีสมาธิพอมีความอยากเขาก็ใช้สมาธินี้สู้กับความอยากได้โดยอาศัยปัญญาเป็นผู้สั่งว่าอย่าทำตามความอยากเพราะการทำตามความอยากจะเพิ่มความอยากให้มีต่อไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดนี่คือ เรื่องของการปฏิบัติสมาธิและปัญญาเพื่อมาละความอยากเพื่อจะได้ดับความทุกข์ใจความทุกข์ใจของเรานี้ไม่ได้เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายของเราก็ดีของผู้อื่นก็ดีแต่เกิดจากความอยากไม่ให้ร่างกายแก่เจ็บตายเช่นเราลากไข่เราก็ไม่อยากจะให้เขาแก่เจ็บตายจากเราไป แต่ร่างกายนี้เขาไม่ได้อยู่กับความอยากเขาเขาไม่ได้เป็นไปตามความอยากเขาเป็นไปตามความจริงของเขาความจริงของร่างกายก็คือมีเกิดแล้วก็ต้องมีแก่มีเจ็บมีตายเป็นธรรมดาไม่ว่าจะเป็นร่างกายของใครก็ตามของเราก็ดีของคนที่เรารักก็ดีเหมือนกันหมดที่เราทุกข์กับร่างกายของเราก็ดี ของคนที่เรารักก็ดีก็เพราะว่าเราไม่ยอมมองความจริงของร่างกายเราลืมไปว่าร่างกายของคนทุกคนเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายกันพอร่างกายเจ็บนี่ใจเกิดความอยากขึ้นมาเลยอยากให้หายเจ็บถ้าคิดถึงความเจ็บไข้ได้ป่วยก็อยากไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วย ถ้าเห็นคนตายก็ไม่อยากจะตายตามเขานี่เป็นความทุกข์ที่เกิดจากความอยากของใจความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายไม่ทำให้ใจของใครทุกได้แต่ความอยากของใจของแต่ละคนนั่นแหละที่เป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์ใจที่สามารถที่จะดับได้ถ้าละ ด้วยหยุดความอยากได้ความอยากจะหยุดได้ก็ต้องใช้มรรคเถมักก็คือศีลสมาธิปัญญาหรือถ้าเป็นคารวะก็ทานศีลภาวนาถ้ายังมีเงินมีทองอยู่ก็ต้องเอาไปทำบุญให้หมดอย่าเอาไปทำตามความอยากเพราะความทุกข์จะไม่มีวันหมดถ้าเราใช้เงินไปซื้อของตามความอยากต่างๆมันก็จะอยากซื้อไปเรื่อย เนี่ยเกิดมาตั้งแต่มีเงินของตนเองหรือตั้งแต่ได้เงินมานี่เอาไปทำอะไรเอาไปซื้อของตามความอยากทั้งนั้นเห็นขนมอยากกินก็ซื้อมาละสมัยเป็นเด็กๆนี่ไม่ต้องมีเงินก็อยู่ได้เพราะพ่อแม่เลี้ยงดูมีบ้านอยู่มีข้าวกินมีเสื้อผ้าใส่ไม่ต้องมีเงินแต่พอพ่อแม่ให้เงินเอาไปทำอะไรเอาไปซื้อของตามความอยากทันที ซื้อขนมซื้อของเล่นแล้วก็ซื้อมาเรื่อยๆพอต่อมาหาเงินหาทองได้เองก็ไปซื้อของเล่นทั้งนั้นของเล่นตุ๊กตาก็เป็นตุ๊กตาเป็นไปซื้อแฟนมามาอยู่กับแฟนแล้วก็ไปซื้อลูกไปผลิตลูกกันแล้วก็มาเลี้ยงลูกกันซื้ออะไรต่างๆมากมายแล้วสิ่งที่ได้มาเป็นไงเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ ได้แฟนมาล้วสุขหรือทุกข์ต้องทุกข์กับแฟนหรือเปล่าต้องหวงแฟนหรือเปล่าต้องหวงแฟนหรือเปล่าเวลาแฟนจากไปน้องห่มน้องให้หรือเปล่าเวลาลูกจากไปน้องห่มน้องให้หรือเปล่าเวลาไม่เห็นหน้าลูกเป็นห่วงหรือเปล่าใครจะมาขอลูกเราหวงไหมให้เขาได้หรือเปล่าเวลาปยามัจุราชมาขอลูกนี่เรา เรายอมให้เขารึกเปล่าอันนี้แหละเราเพราะความอยากของเราเองอยากได้สิ่งต่างๆแต่ไม่รู้ว่าสิ่งที่ได้มานี้สักวันหนึ่งก็ต้องจากเราไปเวลาจากก็เกิดความทุกข์ใจเกิดความเศร้าโศกเสียใจขึ้นมาเพราะไม่มีปัญญาที่จะคอยเตือนคอยสอนว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นของชั่วคราว มันไม่ใช่ของเราได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องเสียไปห้ามไม่ได้เวลาจะไปนี้เรายับยั้งเขาไม่ได้หยุดเขาไม่ได้ถ้าอยากให้เขาไม่ไปก็จะทุกข์มากแต่ถ้ามีปัญญายอมรับว่าเขาต้องไปแล้วเราหยุดความอยากได้หยุดความอยากไม่ให้เขาไปได้เราก็จะไม่ทุกข์ นี่คือปัญญาที่เราต้องหมั่นสอนใจอยู่เรื่อยๆคือสอนให้เรารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นของชั่วคราวเป็นของที่ไม่จีรังถาวรภาษาพระท่านเรียกว่าอานิจจังพอมันไม่ถาวรมันก็เกิดทุกขังขึ้นมาเนี่ยทุกข์ในอริยสัจ ท, ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนทุกข์เพราะว่าเราอยากให้เขาถาวร อยากให้สิ่งที่ไม่ถาวรถาวรพอเขาไม่ถาวรก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาแล้วก็เพราะว่าที่ไม่ถาวรก็เพราะว่าเขาไม่ใช่เป็นของเรานั่นเองของถ้าเป็นของเรามันจะต้องถาวรอยู่กับเราไปตลอดแต่เพราะว่าของมันไม่ถาวรเรามันจึงไม่ใช่เป็นของเร า, านั้นต้องคอยเตือนใจสอนใจอยู่เรื่อยๆว่าของต่างๆที่เรามีอยู่ ในปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของหรือเป็นบุคคล น, นี้ไม่ใช่ของเราทั้งนั้นแม้แต่ลูกที่ออกมาจากท้องเราก็ไม่ใช่เป็นของเราวันดีคืนดีเขาจะไปจากเราเมื่อไหร่เราก็ไม่สามารถที่จะยั้งเขาไว้ได้รั้งเขาไว้ได้เขาก็จะต้องไปนี่คือปัญญาที่ผู้ปฏิบัติจะต้องคอยเตือนใจสอนใจอยู่เรื่อยๆเพื่อที่จะได้ ไม่หลงไปอยากให้เป็นสิ่งที่ถาวรไม่เป็นหลงอยากให้เป็นของของเราถ้าเรามีปัญญาเราก็จะไม่หลงเราก็จะไม่อยากแล้วถ้าเรามีสมาธิเราก็จะสามารถใช้สมาธิช่วยในการที่จะสู้กับความอยากได้ถ้าไม่มีสมาธิไม่มีความอิ่มความสุขในใจ ถึงแม้ว่าจะรู้ว่าเป็นของไม่เที่ยงถึงแม้ว่าจะรู้ไม่ใช่เป็นของเราแต่ก็ยังอดที่อยากจะเอามาไม่ได้ถึงว่าจะไม่เที่ยงก็ขอให้ได้สักชั่วคราวก็ยังดีคนที่อยากจะเป็นรัฐมนตรีรู้ว่าบางทีอยู่ได้แค่หกเดือนก็ยังเอาเลยสามเดือนก็ยังเอาเลยขอให้ได้เป็นสักครั้งก็ยังดีมีหน้ามีตาหน่อยมีเกียรติหน่อย แต่ไม่รู้ว่าเวลาเสียไปแล้วใจมันหวิวขึ้นมาใจมันว่ามันเหงาขึ้นมานอกจากมีปัญญาแล้วก็ต้องมีสมาธิที่จะคอยหยุดความอยากปัญญาเป็นเพียงคนคอยเตือนคอยบอกว่าสิ่งที่เราอยากได้นั้นเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บไม่ตายนี่เป็นทุกข์ อย่าไปอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาจะตายอย่าไปอยากให้มันไม่ตายแล้วจะไม่ทุกข์เวลาหมอบอกว่ารักษาไม่ได้แล้วให้ไปทาใจถ้าเรามีศีลมีสมาธิมีปัญญาเราจะทำใจได้อย่างสบายเพราะเราสุดผลอบรมมาอย่างต่อเนื่องสร้างกำลังที่จะหยุดความอยากได้ สร้างปัญญาที่เขจะคอยเตือนใจไม่ให้ไปอยากเพราะว่าอยากก็ไม่ได้ดังใจอยู่ดีอยากไม่ตายก็ต้องตายอยู่ดีอยากไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ดีอยากไปแล้วทุกไปเปล่าๆไม่เกิดโทษไม่เกิดประโยชน์แล้วความทุกข์นี่มันร้ายกว่ายิ่งกว่าความเจ็บความตายสิความเจ็บความตายนี่มันเป็นเครื่องเล็กน้อย เวลาตายก็เพียงแต่ไม่หายใจมันก็จบมันก็นอนหลับไปเท่านั้นเองมันไม่ได้เป็นเรื่องร้ายร้าแรงอะไรเลยความเจ็บมันก็ไม่ได้เจ็บมากอย่างที่เราคิดที่มันเจ็บมากเพราะเราไปกลัวมันก็เลยไปสร้างความทุกข์ขึ้นมาในใจที่ร้ายกาจที่รุนแรงกว่าความเจ็บของทางร่างกายอย่างหมอบอกว่าจะฉีดยาให้เท่านั้นเนี่ยยังไม่ทันฉีดเลยทุกไปแล้วทุกไปก่อนแล้ว พอฉีดเข้าจริงๆไม่เห็นมันเจ็บเท่าไหร่นั่นแหะความเจ็บของทางร่างกายมันเหมือนเข็มฉีดยาเท่านั้นเองแต่เราไปกลัวมันมันก็เลยกลายเป็นความเจ็บที่ร้ายกาดนุ่นแรงขึ้นมาถ้าเราไม่กลัวมันแล้วมันก็เป็นเหมือนเข็มฉีดยานี้เท่านั้นแ่ะความเจ็บทางร่างกายเวลาจะตายก็แค่นั้นเองเหมือนกับถูกฉีดยาถูกเข็มฉีดยาถ้าใจไม่ไม่ ไม่ต่อต้านไม่กลัวมันแล้วก็รับรองได้ว่าจะไม่มีความทุกข์ใจจะเจ็บอย่างสบายจะตายอย่างสบายนี่แหละความวิเศษของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ไม่มีใครรู้มาก่อนที่ไม่มีใครสามารถที่จะค้นคว้าได้ด้วยตนเองต้องอาศัยพระพุทธเจ้าเป็นผู้ คนคว้าให้เพราะความจริงอันนี้เป็นเป็นความจริงที่ต้องเป็นคนระดับพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึงได้และพอท่านเข้าถึงแล้วมาบอกเราก็ทำให้พวกเรานี้สามารถเข้าถึงได้ถ้าพวกเราต้องไปหาเองไม่มีวันที่จะหาเจอเพราะตาพวกเราเหมือนพวกตาฟางตาบอด ไม่เหมือนตาของพระเจ้าที่เป็นเหมือนตาดีนานๆจะมีคนอย่างพระเจ้ามาเกิดในโลกนี้สักครั้งหนึ่งแล้วไปค้นพบความจริงอันนี้แล้วเอามาบอกพวกเราพอมาบอกปั๊บเนี่ยพอแสดงธรรมครั้งแรกนี้หนึ่งในพระปัญจ ว, วัคียคือพระอัญญาณโกณฑัญญาก็เข้าใจ ว่าความทุกข์ใจเกิดจากความอยากอยากอะไรอยากให้สิ่งทุกอย่างน้ถาวรแต่ความจริงสิ่งทุกอย่างมันไม่ถาวรสิ่งใดมีการเกิดขึ้นมาเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดาเนี่ยพระอั ญ, ญิานกนทญยาเข้าใจหลักของอนิจจังของความไม่แน่นอนไม่ถาวรก็เลยละความอยากที่จะให้ร่างกายนี้ ที่ไม่ถาวรนี้ถาวรได้ยินดีพร้อมที่จะให้ร่างกายนี้แก่เจ็บตายไปโดยที่ไม่มีความรู้สึกทุกทรมานใจเลยอันนี้นหละพอมีพระตรเจารู้ปั๊บพอมาบอกปั๊บนี่สามารถทำตามได้ทันทีเลยถ้ามีศีลอยู่แล้วมีสมาธิอยู่แล้วถ้ายังไม่มีศีลศีลยังไม่บริสุทธ สมาธิยังไม่ไม่แน่นหนามั่นคงยังจะทำใจไม่ได้อย่างตอนนี้พวกเราก็ฟังกันแล้วว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นยังไงหลุดพ้นไดอยังยังกลัวตายอยู่หรือเปล่ายังกลัวเจ็บอยู่หรือเปล่ายังกลัวความแก่อยู่หรือเปล่ากลัวแล้วมันหยุดความแก่ความเจ็บความตายได้หรือเปล่า อยากจะหยุดแต่ไม่มีกำลังจะหยุดเพราะตัณหาความอยากมันมีกำลังมากกว่าเพราะเราไม่มีสมาธิไม่มีอุเบกขาที่จะทําใจให้เฉยๆทาใจให้เป็นกลางไม่มีความอยากใจยังอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอยู่ถ้ามีใครเอาเครื่องสมารรักษาหน้าให้เต่งตึงอยู่ตลอด รับรองน่าเราซื้อทันทีเลยถ้ามีใครมียาย้อมผมให้ผมนี่ดำตลอดเวลาไม่มีงอก<ๆ>ก็จะซื้อมาทันทีเลยเ<ๆ>พราะยังมีความหลงความอยากอยู่ถูกเขาหลอกเวลาใครก็เอาเครื่องสมาฯมาขายเนี่ยโดนหลอกทั้งนั้นเน่ะไม่มีวิเครื่องอะไรในโลกนี้ที่จะสามารถป้องกันความแก่ได้หรอกอแต่เพราะความอยากอ เลยเชื่อเขาซื้อมาแล้วเป็นไงมันก็เหมือนเดิมผมมันก็งอกเหมือนเดิมนังมันก็เหี่ยวเหมือนเดิมแต่อุปทานมันบอกว่าโอ้พอทาเข้าไปปั๊มรู้สึกผิวนวลขึ้นมาทันทีใจมันหลอกใจตัวเองใช่ไมันกัยาเนี่ยพ่อก็บอกยานี่ดีพอกินเข้าไปนี่รู้สึกหายเลยความจริงมันมันก็เหมือนเดิมอะแต่ใจมันเริ่มรู้สึกหายขึ้นมาของมันเอง เดี๋ยวพอกินไปสักพากก็เหมือนเดิมเองเห็นไหมเห็นสินค้าต่างๆที่เอามาขายไม่ว่ากินแล้วสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บ่ายได้ป่วยคนนั้นรับรองคนนั้นยืนยันเห็นมาขายไปสักพักก็ก็เจงไปมทนเลิกซื้อไปก็หลอกได้ครั้งเดียวไงพอซื้อมาแล้วลองใช้ดูปั๊บไม่นานก็รู้ว่ามันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเหมือนเดิม อย่เดียวไปแก้ความแก่ความเจ็บความตายให้เสียเวลาเลยแก้ไม่ได้หรอกมาแก้ความกลัวความแก่ความเจ็บความตายกันจะดีกว่าเพรจะทําให้เราสบายใจเราจะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายเลยปัญหาไม่ได้อยู่ที่ความแก่ความเจ็บความตายปัญหาอยู่ที่ความทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายที่เกิดจากความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายที่จะ สอนใจให้ไม่อยากให้หยุดความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนี่ก็ต้องมีสมาธิและปัญญาเป็นเครื่องมือถ้ามีสมาธิมีปัญญาแล้วก็จะปรงได้วางได้ภาษาชาวบ้านนะครับปรงปรองอันนี้จังกยอมรับความจริงว่ามันเป็นของไม่เที่ยงอย่างที่พระอัญญาณกนทัญญบพูดไว้ว่า สิ่งใดมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาร่างกายนี้มีการเกิดขึ้นมาเป็นธรรมดาย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาพอเห็นความจริงอันนี้ก็หยุดความอยากพอหยุดความอยากแล้วก็ยิ้มได้เวลาตายเวลาจะตายนี้แทนที่จะทุกข์กับไม่ทุกข์กับยิ้มได้แล้วถ้ามองด้วยปัญญาก็ดีสิไม่ต้องมีร่างกาย มีร่างกายแล้วต้องแบกมันแบกมันด้วยการหายใจต้องหายใจทั้งวันทั้งคืนแบกมันด้วยร่างการกินต้องการดื่มต้องคอยหาอาหารมาเลี้ยงมันหาน้ามาเลี้ยงมันแล้วก็ต้องมาอาบน้ําอาบท่าให้มันแต่งเนื้อแต่งตัวให้มันหาบ้านให้มันอยู่หาเสื้อผ้าให้มันใส่หาอยู่หายามารักษามันได้อะไรจากร่างกายนี้บ้าง ได้แต่ความทุกข์แบกมาตลอดเวลายังอยากจะให้มันอยู่ไปนานๆอเพราะอะไรเพราะยังมีความอยากใช้ร่างกายหาความสุคนี่เองยังอยากใช้ตาดูรูปอยากใช้หูฟังเสียงเพราะยังมีกามาตันหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสเหยื่อถึงต้องมีร่างกายถ้าไม่มีร่างกายก็จะหงุดหงิดลําคาญใจทรมานใจเช่นเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วย ไม่สามารถที่จะไปะดูไปฟังไปเที่ยวไปเล่นได้เวลานั้นก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาไม่ได้ทุกเพราะร่างกายเจ็บไายได้ป่วยหรอกทุกข์เพราะว่าอยากจะไปเที่ยวแล้วไม่ได้ไปเที่ยวอยากจะไปหาความสุขทางตาหูจมูกเลี้ยกายแล้วไม่ได้ทำเท่านั้นเองถ้าเรามานั่งสมาธิทำใจให้สงบเราก็จะหยุดเที่ยวได้หยุดหาความสุขทางร่างกายได้ แล้วถ้าเราใช้ปัญญาละได้เราก็จะหยุดความอยากต่างๆได้อพอเราหยุดได้เราก็ไม่ต้องใช้ร่างกายพอเราไม่ต้องใช้ร่างกายทีนี้ร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายก็ไม่เป็นปัญหาอะไรกลับเห็นว่าดีซะอีกไม่มีร่างกายกับดีซะีกเพราะไม่ต้องมาคอยเลี้ยงดูแบบ น, นั้นเองเนี่ยพระพุทธเจ้าถึงไม่มีร่างกายใจของท่านก็ยังมีอยู่เหมือนเดิม แต่ต้ไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วเพราะท่านมีความสุขทางใจที่เกิดจากการนั่งสมาธิทาใจให้สงบความสงบจากการนั่งสมาธินี้เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่ได้จากทางร่างกายท่านจึงทิ้งความสุขทางร่างกายได้อย่างไม่เสียดายเมื่อไม่ต้องใช้ เมื่อเมื่อ ไ, ไม่ต้องหาความสุขทางร่างกายก็ไม่ต้องใช้ร่างกายพอร่างกายตายแทนที่จะทุกข์กับดีใจหมดภาระเลี้ยงดูกันเหมือนเราเลี้ยงลูกเนี่ยพอมันโตมันแต่งงานมันทํางานได้นี่เราดีใจไหมโล่งอกไปเลยนะมไม่ต้องมาเลี้ยงดูมันเมีลูกคนหนึ่งสมัยนี้หมดเงินเป็นแสนเป็นล้านนะถ้าไม่มีลูกนี่เอาเงินแสนเป็นล้านไปเที่ยวไปทําอะไรให้กับตัวเองได้เยอะแยะเลย แต่พอมีลูกปั๊บก็ต้องเลี้ยงเขาแล้วตั้งแต่เขาตั้งอยู่ในท้องเรานี่ก็ต้องเลี้ยงดูเขาแล้วออกมาจากท้องก็ต้องเลี้ยงดูเลี้ยงไปจนกว่าจะโตทามาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของตัวเองได้ถึงจะหยุดเลี้ยงเขาเนี่ยร่างกายพมะพุทจบอกเป็นภาระหนักอย่างยิ่งสำหรับจิตใจแต่เมื่อเรายัางต้องพึ่งเขาอยู่เราก็เลยมองไม่เห็นว่าเป็นภาระ เรามองเห็นว่าเป็นความจำเป็นจะต้องเลี้ยงดูเขาเพราะเรายังต้องใช้เขาหาความสุขอยู่แต่ถ้าเราสามารถหาความสุขโดยที่ไม่ต้องใช้ร่างกายได้เราก็ไม่ต้องมีร่างกายต่อไปไม่ต้องมาแบกภาระกับการเลี้ยงดูร่างกายไม่ต้องมาทุกกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ส่งค้นพบ แล้วนำเอามาเผยแพร่สั่งสอนให้กับพวกเราที่ไม่รู้ความจริงอันนี้ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเราก็ยังจะใช้ร่างกายนี้ไปอยู่เรื่อยๆร่างกายนี้ตายไปก็จะกลับมาหาร่างกายอันใหม่เพราะยังอยากจะใช้ร่างกายหาความสุขต่างๆอยู่ก็จะเป็นอย่างนี้ไปได้เรื่อยท่านยัเรียกเป็นวัฏฏะวนวเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะสงสาระ เกิดแก่เจ็บตายอแต่พอมีพระพุทธเจ้ามาสอนเราให้รู้ว่าอวิธีออกจากการเวียนว่ายตายกัดนี้ก็อยู่ที่การหยุดความอยากละความอยาก mm. เครื่องมือที่จะใช้การละความอยากหยุดความอยากก็คือทานศีลภาวนาเอหรือทานศีลสมาธิปัญญา mm. ภาวนาก็คือการเจริญสมาธิและการเจริญปัญญานี้เอง ถ้าเราทำทานได้รักษาศีลได้จเจริญสมาธิได้จเจริญปัญญาได้เราก็จะมีเครื่องม้าเครื่องมือในการกำจัดตัณหาความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจของเราได้เมื่อไม่มีตัณหาความอยากแล้วใจก็หมดทุกข์ใจก็หมดการที่จะต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้น ผู้ปฏิบัติทุกคนและเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อมีพระพุทธศาสนามีพระพุทธจเจ้ามาตรัสรู้แล้วมาประกาศพระธรรมคําสอนซึ่งนานๆจะเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่งโอกาสที่พวกเราจะได้มาเจอพระพุทธศาสนาอย่างนี้นับว่าเป็นโอกาสที่ยากยิ่งกว่าการถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งอีกดังนั้นเราได้มีโอกาสดีแล้วอย่าปล่อยโอกาสนี้ให้หลุดหลุดมือไป ถูกรอตเตอรลี่รางวัลที่หนึ่งแล้วรีบไปขึ้นรางวัลอย่าเอาไปทิ้งในถังขยะทันใดได้พบกับพระพุทธศาสนาแล้วอย่าเอาไปทิ้งในถังขยะรีบนำเอามาศึกษาเอามาปฏิบัติเพราะเราจะได้รับรางวัลที่พระพุทธศาสนาจะมอบให้กับเราก็คือการสิ้นสุดของการเกิดแก่เกิบตายของการเวียนว่ายตายเกิดการสิ้นสุดของความทุกข์ทั้งปวง การที่จะเข้าสู่ความสุขที่ถาวรต่อไปการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะทาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสากะรังเอวเมวะอิตโตทินังเปตานังอุปกัรปติ อิจิตังปัติตังตุมหังขิปะเมวัสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกะปาจันโทปนาระโสยทามณิโจติระโสยทาสัพพิติโยวิวัจจานตุสัพพโรโควีนัสตุมาเตภวตวันตารโยสุขีทีขายุโกภวะ อาภีวาทนาสีลิสนิจังุทธาปจายโนจตารโรธรรมาวาทานติอายุวโนโสุขังภาลาว า, าลําดับต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบ ป, ปัญหาธรรมท่านผู้ใดยอยากจะถามอะไร ก็ขอเชิญถามได้ในตอนนี้ถ้าฟังเทศไปแล้วยังไม่ชัดแจ้งแดงแจ๋ยังรู้สึกว่ายังขาดตรงนู้นขาดตรงนี้อยู่ก็ขอเชิญถามได้ถ้าหลังจากที่ปิดไมโครโฟนแล้วก็ท่านจะมาถามก็ขออนุ ญ, ญาตไม่ตอบถ้าจะตอบก็ขอตอบตอนนี้ให้มันเสร็จเป็นเรื่องเป็นราวไปไม่ไงั้นมันจะยืดเยื้อ พอปิดไม์ปั๊บก็จะมาขอถามมันก็จะไม่ไม่ได้ยุติสักทีเวลายุติเวลาเลิกก็อยากจะได้ให้มันเลิกไปจริงๆเดี๋ยวอยากจะถามปัญหาก็ยกมือขึ้นช่วยส่งไมโครโฟอนไปให้ได้ต้องเปิดสวิตก่อนนะ นั่นขึ้นการในมรส ก, การเจ้าค่ะคือปกติแล้วโยมเมื่อก่อนก็คือแล้วก็ทํางานนะเจ้าค่ะก็อยู่กระทางโลกโลกก็ค่ะเสร็จแล้วตอนหลังก็มาสนใจปฏิบัติธรรมก็ปฏิบัติธรรมในระดับเข้มข้นนิดหนึ่งก็คือสมัยก่อนนี่ก็จะปิดวาจาช่วงที่เข้ากรรมฐานหรื อ, อแบบว่าเข้มข้นแล้วก็ในในขณะที่เราอยู่ในโลกช่วงนั้นเนี่ยเราก็จะค่อนข้างปิดตวาง ก็คือแบบคำว่าวิทยุเพลงอะไรเราไม่ฟังข่าวเลยเราไม่สนใจเลยเราก็พยายามอยู่กับตรงนี้แต่วันหนึงมันเกิดเหตุที่ว่าเราต้องกลับมาทํางานจ้่คะทีนี้ชีวิตในทางโลกเนี่ยถ้าเราไปทําแบบว่าปิดชวาลทั้งหมดมันคงไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยพอถึงจุดหนึ่งเราทํางานเนี่ยเราก็เหมือนเรามาอยู่ในโลกอีกแล้วทีนี้บางครั้งเนี่ยเท่าที่เราทราบมา่ก่อนเนี่ยกายรไอ้ร้องรำทําเพลงเนี่ยมันคือความหลง แต่พอปัจจุบันเนี้บางทีเราอยู่กับเพื่อนฝูงบางทีเราก็มีการเอนเตอร์เทนแต่ว่าอไม่ได้มีเครื่องเมาะนะคะแต่ว่าเรายังสนุกสนานร้องราทำเพลงอยู่กิ๊กเจ้าค่ะก็เลยจะประกาบเรียนถามพระอาจารว่าสิ่งที่เราย้อนกลับมาทางโลกแล้วเรามาอยู่อย่างโลกโลกเนี้ยมันเป็นยังไงคะมันถูกผิดยังไงเจ้าค่ะมันเดินถอยหลังท่านนี้เดินเจ้าค่ะเดินก้าวหนะ้ามันเดินถอยหลังเดินก้าวหากองทุกไม่ได้ออนเดินออกจากกองทุกเจ้าค่ะ เพราะว่าการร้องลํำทำเพลงนี้มันก็เป็นเป็นความทุกข์เพราะว่าเวลาอยากจะร้องแล้วไม่ได้ร้องมันก็จะทุกข์เวลาอยู่คนเดียวเหงาอยากก็ต้องไปหาเพื่อนเพื่อจะได้ร้องลํำทำเพลงแก้เหงากันมันก็จะต้องทุกกับการหาเพื่อนไปอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าเราเดินไปข้างหน้าเราเลิกหาความสุขจากการร้องลํำทำเพลง เราก็จะไม่ต้องมาทุกข์กับเรื่องของการร้องราทาเพลงนะยังถ้าเราเดินกลับมาทางโลกก็เหมือนกับเราเดินถอยหลังเพราะโลกก็คือกองทุกกองไฟนี่ผูนะ้ที่ต้องการจะออกจากกองทุกกองไฟก็ต้องออกจากความสุขทางร่างกายทางตาหูจมูกลิ้นกายถ้าจำเป็นต้องกลับมาทำงานก็ทำงานอย่างเดียวสิทำไมต้องมาร้องราทาเพลงด้วยนี่มันเรื่องของของแถมนี่ ที่พูดนี่หมายคือว่าไม่ได้เป็นกิจวัตรเจ้าค่ะหมายถึงว่านานนานครั้งเลย จ, จะกิจวัตรแล้วไม่กิจวัตรมันทํามันก็มันก็ผิดเนียยเ่ยเหมือนก็ติดยาเสพยาเสพติดเนี่ยงานจะเสพสักครั้งมันก็ไม่ดีแหละเดีย๋ยวมันเสพไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็มากขึ้นไปเองแล้วมันก็จะออกไปไม่ได้ดค่ะถ้าไม่อยากจะกรรมมาเกิดก็ต้องตัดของพวกนี้ไปให้หมดเพราะว่าโยมนี่เคยอย่างนี้ครับว่า คือพอเราต้องทํางานสสคือโยมก็มีจิตตั้งจิตอธิษฐานไว้ว่าเราก็อยากพ้นทุกข์เจ้าค่ะก็เลยบอกตัวเองว่าเราจะทํางานอยู่สักพักหนึ่งอยู่กับตรงนี้สักพักหนึ่งแล้วเราจะหันหลังให้กับตรงนี้เลยเจ้าค่ะก็คือหมายควาว่าอาจจะไม่อยู่กับชีวิตทางโลกก็คืออาจจะมาทางธรรมแบบแบบเต็มร้อยคำว่าเต็มร้อยหมายความว่าอาจจะทิ้งครอบครัวคาว่าทิ้งครอบครัวหมายความว่าเออไม่ใช่ทิ้งแบบว่าไม่มีความรับผิดชอบหมายความว่าเราหันหลังซึ่งหมายความว่าคนในครอบครัวเราเขาสบายแล้วเจ้าค่ะ คือคือเราก็มีจิตแบบตรงนี้คือตั้งจติตอธิษฐานตรงนี้แต่ทุกวันนี้ก็ถามว่าเราก็ทานศีลภาวนาเราก็พยายามทําจ้าค่ะก็ตระวังแผนเพราะว่าบางทีเวลามันจะไม่เป็นไปตามที่เราคิดเท่านั้นเองเราคิดว่าเราจะรอให้ทุกอย่างเรียบร้อยแต่พอดีเวลามันบอกว่ารอไม่ได้แล้วจะตายซะก่อนอย่างนี <warrant> ้พระพุทธเจ้าถึงสอนให้เราเลิกเกินความตายอยู่เรื่อยเพื่อจะได้ไม่ถูก เหตุผลต่งางๆเหล่านี้มาแอบอ้างให้เราผัดวันประกันพรุ่งถ้าเราคิดว่าเราอาจจะตายวันนี้พรุ่งนี้เราก็จะสามารถสลัดเหตุผลต่งางๆออกไปได้หมด <Okay. S 2> เหตุผลต่งางๆนี้ก็เป็นข้ออ้างของตันหาความอยากของเราทั้งนั้นอ่ะ <Okay. S 2> แต่ว่าเราไม่รู้เล่อุบายของมันมันมันแยกยลมันลึกซึ้ง <Okay. S 2> มันอ้างพ่ออ้างแม่อ้างพี่อ้างน้องอ้างลูกอ้างสามี อ้างอะไรต่างๆนั่นนะใช่ค่ ะ, นะแล้วมางทีโยมลักษณะเป็นคนเหมือนมีคนสองบุคลิกในตัวเองเจ้าค่ะคือลักษณะทั้งๆสุดต่งนิดนึงคือถ้าเกิดว่าเราหารันหันหลังให้กับอะไรแล้วเนี่ยเราก็จะไม่ย้อนกลับไปตรงนั้นนะเจ้าค่ะโอเคพระพุทธเจ้าจจว่าสุดต่งนะเจ้าค่ะคือเหมือนคนสองบุคลิกค่ะพออยู่กับเพื่อหรือว่าอะไรเราก็เหมือนว่าเราก็สนุกมีความสุขแต่เมื่ อ, อไหร่เราหันหลังแล้วนี่คือสิ่งนั้นเราทิ้งไปเลยเจ้าค่ะ ทิ้งได้ก็ดีเชื่อกันของที่มันเป็นทุกทิ้งได้ก็ดีเชื่อกันมีใครอยากจะถามอนึ่งไหมไม่มีเดี๋ยวจะให้พิธีกรตอบปัญหาที่ถามมาทางบ้านจากทางบ้านคําถามจากทางบ้านจากผู้ฝากถามตอนนี้อยู่ในช่วงทําใจให้เป็นอุเบกขาแต่ก็ยังทําไม่ได้ถ้าเกิดมีคนทางบ้านเสียชีวิตขึ้นมาในตอนนี้ ไม่ว่าจะเป็นบิดาหรือญาติพี่น้องถ้าเราไม่ไปร่วมงานศพจะเป็นอะไรไหมคะเพราะได้แยกตัวออกมาจากทางบ้านมาได้พักหนึ่งแล้วแต่ก็ยังส่งเงินให้พ่อใช้แต่ไม่ค่อยได้พูดคุยกับใครและก็ไม่อยากจะยุ่งกับใครแล้วคะ่ะก็อยู่ที่ใจเราจะเป็นอะไรหรือเปล่ า, าใจเราสุขเราไม่เดือดร้อนก็มันก็ไม่เดือดร้อนถ้าใจเราทุกข์เราเดือดร้อนมันก็ทุกข์ก็เดือดร้อน มันอยู่ที่ใจเราเป็นหลักส่วนคนอื่นเขาจะชมเขาจะดา่ามันก็ห้ามเขาไม่ได้เขาจะดา่าเราก็ห้ามเขาไม่ได้เขาจะชมเราก็ห้ามเขาไม่ได้แต่สิ่งที่เราห้ามได้ก็คือความทุกข์ใจของเราอยู่ที่ว่าเราจะห้ามหรือไม่ห้ามเท่านั้นเองการจะไปไม่ไปนี่มันก็อาจจะต้องดูเหตุผลหลายๆด้านด้วยกันว่ามีความจาเป็นต้องไปหรือไม่ เช่นเขาเป็นผู้มีพระคุณกับเราแล้วถ้าเราไม่ไปนี่จะถือว่าเป็นการอาการตันอกตันยู่หรือเปล่าถ้าไม่ถือว่าเป็นการอากาตันอยู่ก็ไม่ไปก็ได้แต่ถ้าเราคิดว่าเป็นการอาการตันอยู่เราก็ควรไปมันอยู่ที่มุมมองของเราว่าเรามีทำระดับไหนทำระดับต่ำก็จะมองไปมุมมองหนึ่งทำระดับสูงก็จะมองไปอีกมุมมองนึง มองได้ทั้งสองมุมมองถูกทั้งสองมุมมองแต่เรามองแล้วเราทำใจได้หรือเปล่าตัดสินใจแล้วเราทำใจได้หรือเปล่าเช่นเราคิดว่าไปก็ตายไม่ไปก็ตายไปก็ไม่ฟื้นไม่ไปก็ไม่ฟื้นถ้าอยากจะทดแทนบุญคุณก็ทดแทนด้วยการปฏิบัติทําไปก็ได้บูชาด้วยการปฏิบัติบูบชาถ้าคิดอย่างนี้ก็ไม่ต้องไป ส่วนจะใครเขาจะว่าเขาจะด่าก็เป็นเรื่องปากของเขาเราไม่ถือสาเราไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนก็ไม่เป็นปัญหาอะไรแต่ถ้าใจเรายังทำใจไม่ได้กลัวเขาจะด่ากลัวเขาจะว่าอย่างั้นก็ไป่อจะได้ไม่ให้เขาด่าไม่ให้เขาว่าแต่ก็ไม่แน่ไปแล้วบางทีเขาก็จะด่าจะว่าอีกเรื่องหนึ่งแทนก็ได้ถ้าเขาอยากจะด่าเขาจะว่าเราเาก็จะหาเรื่องด่าจนได้นะ งั้ถ้าเราอยู่ในโลกนี้ถ้ากลัวการดา่าก็จะต้องก็ต้องจะลําบากแต่ถ้าเราไม่กลัวไหวเขาดา่าเพราะเรารู้ว่าเราห้ามเขาไม่ได้เราก็จะไม่ไม่ลําบากใจอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้ใครจะดา่าใครจะชมก็ถือว่าเป็นปากของเขาไม่ใช่เรื่องของเราเราห้ามเขาไม่ได้สิ่งที่เราห้ามได้ก็คือใจของเราไม่ไปทุกกับการ ด่าของเขาก็แล้วกันคำถามจากคุณทีทองคนทีท่ทรมานกับความรักเกิดจากอะไรตัวเองหรือเวรกรรมคะก็จากความอยากเนะี่พอมีความรักก็อยากจะให้เขาอยู่กับเราพอเขาไม่อยู่กับเราก็ทรมานใจพอเราคิดว่าเขาไปมีอะไรกับใครก็ทรมานใจเพราะความหวงพอไม่เห็นหน้าเขาคิดว่าเขาเกิดอุบัติเหตุหรือเป็นอะไรไปก็ ทรามานใจเพราะความห่วงเนี่ยพอมันมีความรักแล้วมอมีความอยากแล้วความห่วงก็จะมาความห่วงก็มาความเสียใจก็มาเป็นกระบวนการของความอยากทั้งนั้นถ้าไม่อยากแล้วเราก็ไม่ไปห่วงไม่ไปห่วงไม่ไปเสียใจคนที่เราไม่รักไม่มีความอยากด้วยนี่เขาจะเป็นอะไรเราห่วงไหมเราห่วงไหมเขาตายเราเสียใจไหม ไม่เสียใจเพราะเราไม่มีความอยากในตัวเขาเะฉนั้นถ้าอยากจะกำจัดความทุกข์ที่เกิดจากความรักความอยากในตัวเขาก็ต้องละความอยากละความอยากตท่นั้นเองคำถามจากคุณภาวนาข้อแรกการทําบาปคือการทาผิดศีลห้าและผลกรรมที่ตามมาคือเมื่อตายแล้วต้องไปอบายใช่ไหมคะใช่ อบายก็มีสี่สถานด้วยกันเดชะฉานเปรตอสุลกายและนรกแล้วสาเหตุที่จะไปให้ไปทํําทาบาปด้วยสาเหตุอันใดก็จะทําให้ไปในอบายแต่ละอบายเช่นถ้าทําบาปโดยไม่รู้เช่นคิดว่าเป็นเรื่องจําเป็นเช่นต้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็เลยทําบาปอันนี้ก็จะไปเป็นเดชะฉาน เวลาฉายเขาก็ทําบาปด้วยการเลี้ยงปากเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเขาถ้าทําบาปด้วยความโลภอยากได้มากๆก็จะไปเป็นเปรต ถ, ถ้าทําบาปด้วยความกลัวก็จะไปเป็นอสูรกายกลัวเขาจะมาทําร้ายเราเราก็เลยไปฆ่าเขาก่อนอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการทําบาปด้วยความกลัวแล้วถ้าทําบาปด้วยความโกรธเปรียดเคียดแค้นฆาาพยาบาท อันนี้ก็จะไปนรกข้อสองการกระทำใดๆที่ไม่ผิดศีลห้าถือว่าไม่บาปไม่ผิดศีลห้าแต่ถ้าการกระทำนั้นส่งผลให้ผู้อื่นเดือดร้อนเช่นถ้าเราไม่เลี้ยงดูพ่อแม่ไม่บาปแต่พ่อแม่เดือดร้อนเพราะไม่มีคนดูแลเมื่อเจ็บป่วย การกระทําแบบนี้ไม่ผิดศีลห้าและการกระทําแบบนี้จะมีผลกรรมตามมาหรือไม่คะก็ต่อไปก็คงจะไม่มีใครมาเลี้ยงดูเราโกงกรรมกงเกลียนทำอะไรให้กับใครก็จะได้สิ่งนั้นกลับมาช่วยเขาเขาก็จะช่วยเราไม่ช่วยเขาเขาก็จะมาช่วยเราหรือเปล่าข้อสามการโกหกแต่ไม่ได้ทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนเช่นหลอกให้ลูกกินข้าว โดยพูดโกหกหรือหลอกให้เด็กเรียนหนังสือโดยพูดโกหกถือเป็นกุศโลบายใช่ไหมคะทีสีนห้าหรือไม่คะมันก็ต้องระวังเพราะบางทีเราอาจจะคิดว่าเป็นกุศโลบายแต่ความจริงอาจจะเป็นไปทำตามความอยากของเรามันก็เป็นตันหาเป็นเหตุที่ทมให้เราทุกข์ใจเราก็เลยโกหกเพื่อจะได้ทาให้เราสบายใจ อันนี้ก็บางอย่างก็ถือว่าเป็นกุศโลบายได้อย่างหลวงตาท่านเคยเล่าให้ฟังนิทานท่านบอกว่าแม่ก็ลูกไปหาปลาหาปาหลาไหลในหนองน้ำลูกก็เดินตามแม่เห็นแม่จับปาลาไหลลูกก็เห็นปาลาไหลคิดว่าเป็นปาลาไหลความจริงเป็นงูก็จับงูขึ้นมาแล้วก็มาชี้มาให้แม่ดู มาเห็นต่อต้นก็ตกใจพอดี๋ยนี้ได้สติก็เลยทําใจแล้วบอกเออดีดีงูตัวนี้จับให้มันแน่นอปลาตัวนี้จับให้มันแน่นแน่ะเดี๋ยวแม่จะมาช่วยถ้าพ่อแม่ถ้าเกิดแม่ตกใจโบกใต้เป็นงูเห็เดี๋ยวถ้าปล่อยปั๊บก็อาจจะถูกงูกัดได้อถ้ากุสลอยอย่างเงี้ยเรียกว่ากุศโลบายคําถามจากคุณหนุ่ย ผมได้ดูข่าวการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาที่เมืองไทยใจอยากจะไปนมัส ก, การสักครั้งในชีวิตติดอยู่ที่ไกลอยู่ที่อุดรลูกก็ยังเล็กอยากสอบถามพระอาจารย์ว่าถ้าเราไปแล้วจะส่งผลดีกับชีวิตมากน้อยแค่ไหนอย่างไรครับก็จะเสียเงินเสียทองเสียเวลาถ้าอยากจะเห็นพระพุทธเจ้าก็เห็นธรรมพระพุทธเจ้าบอ ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้เห็นตถาคตก็คือผู้เห็นธรรมการไปเห็นพระธาตุก็ไปเห็นแค่ธาตุเท่านั้นเองไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าไม่ได้เห็นธรรมดังนั้นถ้าอยากจะเห็นพระพุทธเจ้าก็ให้ศึกษาและปฏิบัติธรรมพอบรรลุธรรมก็จะเห็นพระพุทธเจ้าเห็นธรรมอยู่ในใจของตนเองครูบาอาจารย์ท่านึงไม่ต้องไปไปประเทศอินเดียไปไปไปที่ ผูชีปูชนียสถานต่างๆท่านเข้าไปในป่าเดินจงกรมนั่งสมาธิจเจริญปัญญาพอจิตสงบเห็นธรรมก็เห็นพระพุทธเจ้านะไปอินเดียก็ไม่เห็นเห็นแต่ที่เกิดที่ตายของพุทธเจ้าแต่ตัวพุทธเจ้ายังไม่มีวันเห็นจะเห็นได้ต้องเห็นจากการปฏิบัติเท่านั้นเห็นได้ด้วยการบรรลุธรรม แตาถ้ามีปัญญามีเวลาที่จะไปกราบพระธาตุได้ไปก็ไปได้แต่ขอให้ไปเพื่อให้เกิดจัตตาพิ่มขึ้นคือไปเพื่อให้เรารู้ว่าเออพระพุทธเจ้านี้มีจริงนะคนอย่างพระพุทธเจ้านั้ น, นจะมาเกิดสักครั้งหนึ่งคนที่จะมารู้พระอริยสัจสี่ที่จะนำพาสัตว์โลกให้รอ ด, ด, ดออกจากกองทุกข์แหงการเวียนว่ายตายเกิดนี่มีจริงนะเพราะนี่คือกระดูกของท่านะ ไปกราบแล้วทําให้เราเกิดศรัทธาอยากจะรู้จักท่านมากขึ้นก็ไปหาคนา้นคว้าหาหนังสือหาประวัติของพระพุทธเจ้ามาอ่านหาคําสอนของพระพุทธเจ้ามาอ่านถ้าไปแบบนี้ก็จะได้ประโยชน์เพราะเราจะได้ศึกษาได้รู้ทำแล้วเราจะได้นําเอาทำนั้นไปปฏิบัติต่ตอไปแต่ถ้าไปกราบเฉยๆกราบบ้านเสร็จแล้วก็ดีใจโอ้ได้กราบพระาธานแล้วเอชีวิตของฉันจะต้องดีขึ้นและทำมาค้าขายร่ํำรวยขึ้น ถ้าคิดอย่างนี้ก็ก็ไม่ใช่เป็นเป็นเหตุที่ควรจะไปคำถามจากคุณสุพโชคผมมีสัตว์เลี้ยงคือสุนัขที่รักมากๆเขาได้ตายจากผมไปได้หนึ่งปีสี่เดือนอายุเขายี่สิบปีเศษสัมผัสได้ว่าวิญญาณเขายางวนเวียนอยู่ใกล้ผมในยามค่ำคืนไม่ห่างทั้งเสียงกลิ่นไม่ใช่จิตคิดไปเองทำอย่างไรที่จะให้วิญ จิตวิญญาณเขาสงบ ท, งทั้งทั้งที่ผมก็สวดส่งบุญใส่บาตรอุทิศส่งบุญให้เขาสม่ําเสมอแรกๆผมมีความสุขที่เขายังวนเวียนอยู่ใกล้ผมตลอดเวลาเพราะยามมีชีวิตยามหลับนอนจะกอดเขาแนบอกเสมอแต่ตอนนี้เหมือนเหนียวล้างดวงวิญญาณเขาไว้ครับอยากไปอยากให้เขาสงบเลยอยากให้เราสงบดีกว่า ปัญหาไม่ไอยู่ที่เขาปัญหาอยู่ที่เราตอนที่เราไม่สงบเขาสงบแล้วเราไปยุ่งกับเขาเองเรามาพุโทโธพุโทโธดีกว่าทําใจให้สงบแล้วก็จะสบายเขาก็จะหายไปเองคําถามจากคุณสุ ข, ขุมคนซื้อลอตเตอรี่ผิดศีลไหมครับก็ขึ้นอยู่ที่ว่าซื้อด้วยเหตุผลอนใด ถ้าซื้อคิดว่าเป็นการทําบุญถูกก็ได้ไม่ถูกก็ได้อย่างนี้ก็ไม่ผิดศีลแต่ถ้าซื้อเพราะอยากจะได้กําไรอย่างเล่ามอยากรวยอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเล่นการพนันนะถ้าซื้อเพื่อทําบุญเวลาถูกก็ไปทําบุญต่ออย่างนี้ไม่ผิดศีลแต่ถ้าซื้อแล้วพอได้รงางวัลก็ไปซื้อขนมกินไปเที่ยวเล่นนี้นก็ผิดศีลเป็นการเล่นการพนันคําถามจากคุณกนกพร ดิฉันจำเรื่องอสุพักกรรมฐานสิบกองในหนังสือวิสุทธิมัสตัมรากล่าวว่าอาสุภักรรมฐานนั้นจะได้สมาธิสูงสุดแค่ขั้นปฐมฌานเพราะเป็นกำลังของวิตกเกิดจากอารมณ์ที่พิจารณาความสกรปรกจิตไม่ดูดดื่มในอารมณ์พี่สาวก็แย้งว่าทำไมไปพูดว่าอาสุภกกรรมฐานได้ทำสูงสุดแค่ขั้นปฐมฌาน จริงๆแล้วถึงพระนิพพานดังนั้นดิฉันจึงคิดถึงตำราที่กล่าวว่ามีพระที่เห็นฟันของสตรีก็นำฟันมาพิจารณาและบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ดิฉันจึงอยากถามว่าอสศภากรรมฐานได้ฌานสูงสุดแค่ปฐมฌานใช่ไหมคะลองปฏิบัติดูดีกว่าจะได้รู้ด้วยด้วยตาของตนเองแทนคนอ่อนพูดไปก็ยังรังเลยสงสัยอยู่นั่น เดี๋ยวเกิดไปฟังอีกคนหนึ่งเขาแย้งกลับมาก็จะทําให้อไม่มั่นใจอยู่ดีอย่างนั้นเรื่องเหล่านี้พระเจ้าบอกควรจะเป็นสันทิฏฐิโกถ้ามันเป็นสันทิฏฐิโกเห็นด้วยชัดแจ้งด้วยตนเองแล้วก็จะไม่มีวันสงสัยต่อให้ใครมาค้านมาแย้งอย่างไรก็จะไม่เป็นปัญหาอบอกไปก็กลัวว่าเดี๋ยวก็จะไปแย้งกับคนอื่นเขา้าคนอื่นเขาพูดอีกอย่างเราพูดอีกอย่างแล้วเราจะไปเชื่อใคร เราเป็นคนตาบอดเราก็ไม่รู้ว่าคนสองคนที่พูดนี้เป็นคนตาดีหรือคนตาบอดอยู่ดีเพราะฉนั้นลืมตาของเราดีกว่าลืมตาของเราแล้วเราก็จะเห็นเองไม่ต้องไปพึ่งคนอื่นเรื่องพึ่งว่าพึ่งวิธีเอเช่นวิธีปฏิบัติทำอย่างไรก็ทําไปดิเขาบอกให้พิจารณาสุภาก็ลองพิจารณาดูดูว่ามันจะไปถึงปฐมฌานหรือจะไปถึงนิพพานให้มันรู้กันคําถามจากคุณอิทีพาร์ท ดิฉันก็เคยได้ฟังมาเรื่องการทำบุญกับบุคคลต่างๆแต่ก็ชอบคิดขัดอยู่นิดๆบุญคือความสบายใจทำแล้วปลื้มปิติดิฉันชอบทำบุญกับผู้ตกทุกข์ได้ยากหมาแมวจรจัดเพราะคิดว่าพระสงฆ์มีคนนำข้าวของให้เยอะแล้วแบบนี้คิดผิดหรือเปล่าคะคือบุญนี่มันมีสองส่วนนะบุญที่เกิดจากความสุขใจเวลาเราได้ช่วยเหลือ คนที่เขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนอันนี้เป็นบุญส่วนแรกแต่มีบุญส่วนที่สองที่เราควรจะได้รับแต่ก็ขึ้นอยู่กับบุคคลที่เราไปทำบุญด้วยถ้าเราทำบุญกับคนที่มีธรรมเราก็จะได้บุญที่เกิดจากการฟังธรรมกลับมา อ, อีกส่วนหนึ่งแต่ถ้าเราไปทำบุญกับคนที่ไม่มีธรรมเราก็จะไม่ได้รับบุญส่วนนี้ อย่นอยู่ที่ว่าเราต้องการบุญส่วนไหนถ้าเราต้องการบุญส่วนที่เกิดจากความสุขใจที่เราได้ช่วยเหลือผู้อื่นก็ช่วยเหลือคนที่เขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนเราจะมีความสุขใจมากกว่าไปช่วยเหลือคนที่เขาไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนเราจะรู้สึกเฉยเฉยเช่นสมัยนี้พระสงองค์เจ้าท่านมีเหลือเฟือเวลาเราไปทําบุญกับท่านบางทีเราก็รู้สึกเฉยเฉยเพราะว่าไม่รู้ว่าท่านเอาไปใช้เอาไปกินหรือเปล่า แต่ถ้าเราไปนขอทานข้างถนนอดอยากสู้พร้อมเราซื้อข้างเขากินอย่างเงี้ยเราจะเกิดความสุขใจขึ้นมาแต่เราไม่ได้รับอะไรจากขอทานเขาอย่างมากก็ยกมือว่าขอบอกขอบใจเราแต่ถ้าเราไปถวายของถวายปาฏิหารให้กับพระสองฆ์โดยเฉพาะถ้าเป็นพระพระสุปฏิปันโนพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพระผู้มีธรรมเราก็จะได้ยินได้ยินได้ฟังธรรมอ่า อันนี้เราก็จะได้บุญอีกระดับหนึ่งบุญที่เกิดจากการฟังธรรมที่มีคุณค่าสูงกว่าบุญที่ได้รับจากการทำทานเนี่เพราะฉะนั้นมันมีสองส่วนด้วยกันเวลาเราทำทานถ้าเราอยากจะได้ผลตอบแทนจากผู้รับเราต้องเลือกทำกับคนที่มีธรรมสูงสุดเนี่ยเขาบอกว่าถ้าทำบุญกับพระพุทธเจ้านี่จะได้บุญมากที่สุด ลองลงมาก็พระปเจกับพระพุทธเจ้าลองลงมาก็พระอรหันต์ลองลงมาก็พระอริยะขั้นต่างๆเช่นพระอนาคามีพระสกิดาคามีพระโสดาบันแล้วก็ต่อจากนั้นก็พระที่มีสมาธิพระที่มีศีลก็จะได้ทาระดับต่างๆไปทำบุญกับพระที่มีศีลเขาก็จะสอนเรื่องศีลให้เราฟัง ทำบุญกับพระที่มีสมาธิเขาก็จะสอนวิธีนั่งสมาธิให้กับเราทำกับพระโสดาบันเขาก็จะสอนให้เรารู้จักอ่บบรรลุขั้นโสดาบันทำกับพระสกิทาคามีก็เช่นกันอนาคามีก็เช่นกันอรหันต์ก็เช่นกันแต่และขั้นนี้มันสูงขึ้นไปตามลำดับเราทำบุญกับพระพุทธเจ้าถึงแม้พระพุทธเจ้ากับพาาระอรหันต์นี่ถึงพระนิพพานเท่ากัน แต่ความสามารถที่จะสอนเรานี้อาจจะต่างกันพระอรหันอาจจะต้องพูดหลายรอบเราถึงจะเข้าใจพระพุทธเจ้าอาจจะพูดเพียงคำเดียวเพราะท่านที่ใจดำเราได้ท่านเห็น ต, ตัวที่มันปิดบังใจของเราให้มืดบอดพอท่านพูดตัวนี้ปั๊บมันก็สว่างว่างขึ้นมาเลยนี่คือความสามารถของพระอริยเจ้าที่ต่างกันไปตามขั้นทำของท่าน ถ้าอยากจะได้ธรรมะก็ต้องเลือกคนเลือกพระแต่ถ้าต้องการความสุขใจก็เลือกคนที่เขาตกทุกข์กได้ยากลาบากเดือดร้อนคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามจากความเข้าใจว่าการที่เรายังไม่ได้สมาธิขั้นอั ป, ปนาสมาธินั้นทำให้เรายังไม่มีกำลังพอสู้กับกิเลสทั้งๆ ท, ที่เราก็ฝึกทำสมาธิมานานแต่อาจไม่ต่อเนื่อง เวลามีเหตุการณ์ที่แรงๆเข้ามากระทบรู้สึกว่าสติไม่ดีเหมือนก่อนปรงแต่งจนเกิดทุกข์จนบางครั้งนึกท้อใจว่าการปฏิบัติไม่ได้ช่วยอะไรแต่พอแต่พอมาพิจารณาว่ามันน่าจะเป็นเรื่องปกติของคนที่ยังมีสมาธิไม่ถึงขั้นอัปนาเราก็อย่าไปนึกเสียใจท้อใจว่าเราทาว่าทาไมเรายังสู้กับกิเลสไม่ได้ดีนะัก ต้องพยายามทำเหตุต่อไปแต่รู้สึกกิเลสบางตัวเบาบางลงไม่ทราบว่าสิ่งที่เข้าใจนั้นถูกต้องไหมคะถูกแล้วแหละเหตุท่านั้นนะ่ะที่จะทำให้เกิดผลต่างๆขึ้นมาถ้าเราไม่จเจริญเหตุผลที่เราต้องการมันก็จะไม่เกิดถ้าเราไปเจริญเหตุที่ไม่ได้ทำให้เกิดผลที่เราต้องการมันก็ไม่เกิดเช่นเราไปเที่ยวไปเล่นไปทำงานทำการล้วก็ได้ผลอีกแบบหนึ่ง แต่เราจะไม่ได้ผลคือความสงบของใจอุเบกขาของใจถ้าเราอยากจะได้ความสงบความอุเบกขาของใจเราก็ต้องไปปีกวิเวกอยู่ตามวัดวาที่สงบสงัดที่ให้เราปฏิบัติจเจริญสติได้ทั้งวันทั้งคืนถ้าอย่างนี้เดี๋ยวไม่นานอุเบกขามันก็จะเกิดขึ้นสมาธิมันก็จะเกิดขึ้นอคําถามจากทางบ้านหมดแล้ว ที่นั่งอยู่ตรงนี้มีใครอยากจะถามต่อไหมเอายกมือขึ้นเอาช่วยส่งหน่อยค่ะหนูขออนุญาตถามค่ะหนูสงสัยในเรื่องของความอยากค่ะความอยากปกติถ้าเราสังเกตนี่มันจะเกิดขึ้นกับตัวเองตลอดเวลาคราวนี้อยากจะ ถามว่าความอยากที่เกิดขึ้นทางกายกับความอยากที่เกิดขึ้นทางใจถ้าสมมติว่าความอยากเกิดขึ้นทางกายอย่างเช่นปวดขาตอนนี้นั่งนานอย่างเงี้ยค่ะเราใช้วิธีการในการสอนตัวเองว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเดี๋ยวมันตั้งอยู่เดี๋ยวมันดับไปมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอันนี้ไว้สอนตัวเองตอนที่มันเกิดความอยากทางกายหิวข้าวปวดขา ส่วนความอยากทางใจถ้ามันเกิดขึ้นขึ้นมาอย่างเช่นตอนนี้หนูอยากไปเที่ยวอยากดูหนังอยากฟังเพลงอยากอยากอยากอยากจากการที่เรามาโนขึ้นมาเองอันนี้เราใช้สมาธิเข้าไปช่วยได้ไหมเจ้าคะ่ะได้ถ้าเรานั่งสมาธิตามใจให้สงบความอยากนั้นก็จะสงบตัวชั่วคราวแต่พอออกจากสมาธิมามันก็จะอยากใหม่ได้ถ้าเราอยากจะให้มันหายไปอย่างถาวรก็ต้องใช้ปัญญาสอนใจว่า การทำตามความอยากไม่ได้ทำให้ความอยากหมดไปก็ต้องทำไปเรื่อยๆแต่ถ้าการฝืนความอยากไม่ทำได้ต่อไปความอยากก็จะค่อยหมดกำลังไปและหมดไปในที่สุดได้อันนี้ต้องเป็นปัญญาเพราะการไปทำตามความอยากไม่ได้พาไปสู่ความสุขแต่พาไปสู่ความทุกข์พาไปสู่ความอยากใหม่ จ, ง, จงต้องมีทั้งสองอย่างมีปัญญาสอนใจว่าทำไมต้องไม่ทาตามความอยาก แล้วก็ไปทําใจให้สงบถ้าอย่างนี้แล้วความอยากก็จะอ่อนกําลังลงไปเรื่อยๆถ้าเราไม่ทําตามความอยากไม่กี่ครั้งห้าหกครั้งมันก็หายไปแล้วะเจ้าค่ะก็ค่อยๆฝึกค่อยๆฝึกเห็นแล้วก็ฝึกเห็นแล้วก็ฝึกอ่ต้องเห็นเหตุผลด้วยว่าทําไมเราต้องไม่ทําตามความอยากเจ้าค่ะเด๋ยวหนูไปฝึกต่อเจ้าค่ะค่ะคุณเจ้าค่ะอ่คนข้างเคียงอย่างก็ถามต่อค่ะพระอาจารย์ค่ะ ก็คือล่าสุดเนี่ยหนูเหมือนคําถามแรกที่พี่เขาบอกว่าเขาปฏิบัติแล้วเขาก็กลับไปสู่ทางโลกคือไปทำงานแต่ตัวหนูเองก็ไม่ต่างจากเขาคือหนูก็ปฏิบัติอยู่แล้วหนูก็ติดในในรถพระธรรมก็คืออยากจะเข้าวัดหาความสงบแต่หนูก็มีภาระทางโลกที่ต้องรับผิดชอบล่าสุดน้องก็ปฏิเสธงานที่แบบว่าเขาบอกว่าหยุดแค่วันอาทิตย์หนูก็เลยมาแต่จองว่าถ้าหยุดอาทิตย์หนูก็จะไม่มีเวลาไปทําบุญ หนูก็เลยไม่ไม่รับงานนั้นแต่พอเวลาหนูไปอยู่ทางโลกหนูต้องคุยกับคนคือปกติแล้วจะมีกลุ่มเ พ, เพื่อนที่ปฏิบัติธรรมคุยแล้วจะมีความสุขเราก็จะตะเวนทำบุญกันแล้วก็ปฏิบัติกันหนูก็จะรู้สึกสบายใจแต่พอเวลาหนูไปคุยกับคนที่เขาไม่ได้ปฏิบัติธรรมคุยแล้วหนูจะรู้สึกปวดหัวแต่หนูก็บอกตัวเองว่าหนูไม่ได้เครียดแล้วหนูก็ปฏิบัติทุกวันนะเจ้าคะ่ะ แล้วหนูก็เลยถามตัวเองว่าที่เราทำสมาธิมาที่เราปฏิบัติมาเราทำไม่ถูกต้องหรืออย่างไรเพราะว่าหรือเราอุเบกขาไม่ได้แต่หนูก็ทำสมาธิทุกวันนะเจ้าค่ะพระอาจารย์คือมันสมาธิทางธรร ม, มยังมีปัญหาอยู่ก็แสดงว่าไม่มีปัญญาเวลาเราไปเจอสิ่งที่เราไม่ชอบเราเกิดความอยากอยากจะให้มันหายไปแล้วอยากจะหนีจากมันไป แล้วเรายังไม่สามารถที่จะหนีมันได้และทําให้มันหายได้เราก็จะเครียดขึ้นมาได้อันนี้เราใช้ปัญญาว่าบางทีเราอยู่ในสถานการณ์ที่เราไม่สามารถไปควบคุมบงังคับให้เป็นไปตามความต้องการของเราได้เราก็ต้องทําใจอทําใจให้เฉยๆพุทโธพุทโธไปถ้าเรามีพุทโธมีความสงบมีอุเบกขาเราก็จะไม่เดือดร้อน แต่ถ้าเราไม่มีอุเบกขามันก็จะเครียดได้ถ้ามันเครียดก็ต้องใช้พุโทโธพุโทโธไปอย่าไปสนใจกับสิ่งที่กำลังพูดกำลังทำกันอูเจ้าค่ะหมด้นะมีใครอยากจะถามอีกไหมถ้าไม่มีก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอเชิญนำสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิิตพิจารณาไปปฏิบัติ